ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนเ อ, อสมาทิทฐิสูตรในช่วงที่พระตถาคกถาจารย์ท่านอธิบายขยายความองค์ธรรมแต่ละข้อที่ยกไว้โดยสรุปในตอนพื้สูตร ก็นำมาขยายให้พิสดารออกไปประการแรกก็คือเรื่องมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดความเห็นผิดนั้นเพราะว่าไม่ถือเอาตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐินั้นก็มีลักษณะเห็นผิดโดยนัยะมีที่ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทําดีทําชั่วไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโรคนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีจัตที่ตายแล้วต้องเวียนไหวตายเกิดอีกนั้นไม่มีแล้วก็ไปจบที่ ท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามนั้นไม่มีก็หมายความว่าไปเสดความมีอยู่ของพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความว่าศรัทธาที่จะใช้เนี่ยมันถูกทํำลายหมดคือส่วนของกรรมศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรม ป่ากับศัทธาความเชื่อในผลแห่งกรรมและกรรมมศกตาสรัทธาคือความเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตถาคตผูเสตถะคือไปฏิเสธการมีอยู่ของคนระดับพระพุทธเจ้าแล้วยังไปฏิเสธคําสอนที่พระพุทธเจ้าส่งสั่งสอนด้วยซึ่งหมายความว่าปรรไปเิเสธพัฒนาใจทั้งหมดแล้วทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งประสง์ ก็เป็นความเห็นที่มีความเสี่ยงสูงอย่างที่ยกไว้ในวันก่อนว่าคนเราถ้าเห็นระดับที่เรียกว่าการกระทำทั้งดีทั้งชั่วไม่เป็นการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุหรือเหตุไม่ได้ก่อให้เกิดผลแล้วไปเศษว่าไม่มีในสิบเรื่องดังกล่าว กุจอทรงใช้คำว่าวัตะขานุคือเป็นหลักต่อของวัตะไม่มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองเราถือว่าทำไปก็เท่านั้นชีวิตเราก็จบลงที่ตายไม่ต้องไปรับผิดชอบกรรมอะไรชีวิตมันก็จบ่งลงที่เชิงตรกก่อนก็เรียกว่ามีกองที่เท่าเป็นที่สุด มิชานั้นมีมิาทิสิตินั้นมีองค์ประกอบอยู่สองประการคือการที่เรื่องผิดไปจากอาการที่ยึดถือจากปัญญาเป็นเครื่องมือพิสูจน์ทดสอบในเรื่องเหล่านั้นมาแล้วคือบางเรื่องมันก็เขาคิดง่ายๆอะ แต่ถ้าเราดูพฤติกรรมความคิดของคนเป็นจำนวนมากแม้ในสังคมไทยเราก็เถอะดูตัวอย่างง่ายๆว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าอบายามุขเป็นทางแห่งความเสื่อมก็สอนกันมาตั้งแต่โบราณากาลสอนกันมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติในสัมปไป แต่เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องอะไรมุกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วก็แถมยังมียาเสพติดที่รุนแรงกลายเป็นอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนประเทศชาติและสังคมมันเป็นส่วนรวมมากนั้นก็แสดงว่าเรื่องที่เชื่อถือกันมาเนี่ย ไม่ต้องเอาขนาดที่พระพุทธเจ้าต้องสัตย์สุขก็ได้แต่ว่าเราคิดด้วยจิตสำนึกธรรมดาธรรมดาพลพวกนี้ก็ไม่เชื่อแล้วคือมีความเห็นผิดในเรื่องเหล่านี้นะแล้วลการปรากฏขึ้นแห่งเรื่องนั้นโดยไม่เป็นอย่างที่ วิชาทิติบุคคลยึดถือหมายความไม่เห็นกัน จ, จัดจะเจนว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนจากเสื่อมเป็นเจริญจากเจริญจากเจริญเป็นเสื่อมจากโง่เป็นออฉลาดจากฉลาดเป็นโง่เนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ แต่ว่าคนพวกนี้ก็ไม่เชื่อทีนี้อีกอย่างหนึ่งท่านวินิจฉัยโดยอาการสี่อาการก็คือสิ่งที่ปรากฏในรูปของเรื่องนั้นๆเช่ น, นเรื่องอากุศลกำบนดสิประการเนี่ยเราเห็นว่าถ้ามองโดยอาการก็ คือโดยธรรมะก็เป็นหลักเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาโดยส่วนคือเมื่อจําแนกแยกแยะเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษมันก็เห็นกันอยู่หรือว่าโดยอารมณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เราสะสมไว้ภายในจิตด้วยแล้วก็เป็นตัวกระตุ้น ให้จิตคิดแล้วก็ทำแล้วก็พูดไปตามสิ่งที่มากระตุ้นเรานั้นโดยเวทนาคือหมายความว่าเราเคยสัมผัสผลดีผลเสียของเรื่องเหล่านั้นมาแล้วแล้วก็ให้ความสุขความทุกข์แก่เรามาแล้วตลอดถึงโดยมูลรากคือที่ไปที่มาของเรื่องเหล่านั้นพวกอกุศลมันก็มาจาก กุศลละมูลนะก็คือโรคลดลงแล้วกท็ทางที่เราคิดเพียงนิดเดียวเราก็เชื่อมโยงไปมาได้เช่นสมมติว่าเกิดไปชกต่อยกับเพื่อนก็เห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากโทสะจากข้างในแล้วในขณะเดียวกันใจเราก็ไปกำหนดเพื่อนเป็นศัตรู หรือว่าการกระทาของเพื่อนไม่เป็นที่พอใจของเราในขณะนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้โชกต่อยกันก็สามารถอธิบายด้วยตัวเองได้แต่ว่าคนประเภทนี้ก็ไม่ค่อยอธิบายกันก็กลายเป็นอะไรล่ะโบราณก็พูดเรียกธรรมะทำ ม, มวยคือพูดเรื่องอื่นพูดกันได้พอพูดเรื่องธรรมะแล้วก็ อดถกเถียงแล้วนำไปสู่การทะเลวิวาทไม่ได้เพราะในกรรมบทั้งทั้งสิบประการเนี่ยเจ็ดข้อเจดข้อแรกก็คือการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทราบร่วงละเมื่ดในทางเพศ แล้วโกหกยุยงให้เกิดความแตกแยกกล่าวคำหยาบคายรายกาศแล้วคำเพื่อเจือเร็วหลหยไร้สาระก็เป็นกรมบดอย่างเดียวไม่เป็นมูลเพราะว่าเขาเองนี่มันสืบเนื่องมาจากโลกอดหลงแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วก็เป็นการดำเนินชีวิตไปในทางทีิ ส่วนอภิชากับพยาบาทอภิชาก็คือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลื่นมาเป็นของของตนพยาบาทก็คือใจที่เกิดความโกรธแล้วก็เก็บความรู้สึกโกรธเหล่านั้นเอาไว้มุง่งที่จะโตตอบแก้แค้นคนที่ทำให้เราเกิดพยาบาทสองอย่างเนี้ย เป็นทั้งกรรมบทด้วยและเป็นทั้งรากมูลรากของกรรมบทด้วยเพราะมันก็คือโลกกับกฎเพราะเป็นรากง่าวของอวิชชาจึงเป็นโลพระอากุศลมูลพยาบาทเป็นโทสะอากุศลมูลทีนี้เมื่อกล่าวโดยอารมณ์ปณาธิบาตมีสังขารเป็นอารมณ์ สังขารที่เป็นอกุศลภายในใจเราด้วยนะฮะแล้วก็ตัวสังขารที่เราฆ่าด้วยสังขารที่มีใจครองที่เราไปประทุษร้ายเข้าด้วยอาทินาทานมีสัตว์เป็นอารมกบ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้า ง, ง, า เ, าางเพราะว่าซั์เนี่ยมันมีทั้งชีวิตและก็ไม่มีชีวิต กว่ามีใจครองก็มีไม่มีใจครองก็มีมีชาตจารมีสังขารเป็นอารมณ์โดยอำนาจของโพธิภะคือการสัมผัสกันอย่าลืมว่าสัมผัสนั้นมันก็สัมผัสต่างต่ า, ต า, ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละและทุกอย่างก็ช่วงหนึ่งก็เป็นสัมผัสคือช่วงที่สี่เนี่ยก็เป็นสัมผัส ระวงอายตนาภายในภายนอกวิญญาณมันก็เป็นสัมผัสทุกข้อแต่ว่าขนาดไปเป็นกามสุมิชาจาร์เนี่ยมันต้องสัมผัสทางกายก็ตามองค์ของสิกขาบทที่สามอย่างที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนประการต่อไปนั้นพระอาจารย์บางพวกเนี่ยบอกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ก็มี มุสาวาตก็มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้างยุยงแล้เกิดความแตกแยกก็มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์มากบ้างกล่าวคําหยาบมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าเรากล่าวคําหยาบก็คงต้องกล่าวกับสิ่งที่รู้จักว่านั้นคือคําหยาบ แต่แน่นอนแหละคนเราบางทีฝนตกแดดออกลมพัดอะไรตัวอะไรแกก็ด่าได้แล้วก็ด่าไปเถอะพวกธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่รับรู้ว่ามันเป็นคําด่าหรือคำหยาบอะ ไ, ไรแกก็ไม่มีความยินดียินร้ายอะไรทีนี้สัมผัสลาปะคือการพูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลไร้สาระต่างๆมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมบ้าง ด้วยอำนาแถงรูปที่ได้เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมรสที่ได้ลิ้มและสัมผัสที่ได้ทราบแล้วและทำอารมณ์ที่ได้รู้แล้วอภิชาก็เหมือนกันปัยาบาทมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวส่วนมิชาทิติมีทั้งสัตว์และสังขารเป็นอารมณ์ โดยหน้าแข่งธรรมอันเป็นไปในภูมิสามคือการมาวัจะระภูมิรูปาวจรภูมิรูปาวจะระภูมิตีนี้กล่าวโดยเวทนาตัวการรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยอย่าลืมมาเวทนาส่วนหนึ่งนี่มันเป็นเวทนาในอดีตของเราคือหมายความว่าเราเคยสัมผัสสุขทุกข์มา เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเหตุแล้วพอไปพบปะเข้าไอ้นั้นมันส่วนที่อยู่ข้างในมันก็กระตุ้นแล้วก็ส่วนที่นอกข้าอยู่ข้างนอกก็เข้ามาสมทบก็กลายเป็นเป็นเวทนาแล้วเราก็ตัดสินด้วยความชอบความชังจริงๆเราชอบเราชังมันเป็นสัญญาในอดีตคนนั้นสิ่งนั้น อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราเกลียดคือไม่ใช่ตัวสัตว์หรือคนดันโดยตรงหรอกแต่บางทีมันไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เราเกลียดอย่างเช่นเราขัดแย้งกับเพื่อนแล้วไปเจอลูกเพื่อนไปเจอพญาเพื่อนแล้วก็เกิดไม่ชอบทาง ท, างที่สองคนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไร แต่พอดีเป็นพัญญาเป็นลูกของเพื่อนที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาข้อนี้ก็เหมือนกับท่านบอกว่าเมืองกับพระราชาจับโจรทั้งหลายส่งเห็นโจรแล้วจะส่งพระสวนไปพรางรับสั่งไปพรางว่าไปเอามันไปฆ่า ดังนี้ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นเจตนาที่เป็นการตัดสินพระไทยของพระราชาเหล่านั้นก็เป็นเจตนาที่ประกอบด้วยทุกข์โดยแท้คือหมายความว่าเวทนาที่เราได้รับจากผู้ผู้ร้ายเนี่ย มันทำให้นึกถึงปัญหาต่างๆปัญหายากรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะการกระทาของคนเหล่านี้แล้วก็รู้สึกคับแค้นรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่สบายและเจนถึงก็สั่งประหารเรา น, นดูไปหน้าท่าทางก็ไม่น่าจะเป็นโกรธแต่จริงๆก็โกรธแล้ว ทีนี้อธินาธาเนี่ยมมีเวทนาสามก็คือว่าเป็นสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้การเมตสุมิจฉาจารย์มีเวทนาสองเดือน้าสุขและอุเบกขาแต่ไม่ใช่มีเวทนาเป็นอุเบกขาในจิตเป็นตัวการตัดสินใจอุสาวาะมีเวทนาสามการพูดสอเสียดก็เบือนกัน การกล่าวคำหยาบก็เวทนาเป็นทุกอย่างเดียวแล้วก็สัมผัสประลาป ะ, ปะคือการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนั้นก็มีเวทนาสามอภิชามีเวทนาสองดวยหน้าของสุขกับอุเบคาแล้วก็มิชาทิติก็เหมือนกันก็คือมีสองด้วยอุเบคากับสุข พยาบาทเนี่ยก็ออกมาจากทุกขเวทนามายความว่าพอเห็นหน้าพอเห็นสิ่งนั้นเห็นคนนั้นเราก็ไม่สบายใจทีนี้ในอกุศลุลมูนเนี่ยซึ่งพวกนี้เราก็เกี่ยวข้องกับเขาทุกวันเนี่ยนะเกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวเกี่ยวข้องน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับเขาทุกวันปานาติบา มีอากูสนละมูลสองอย่างเป็นมูลด้วยมหน้าแห่งโทสะและโม่ะให้ลองสังเกตว่าเวลาฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยบางทีก็ทำด้วยความโกรธบางทีก็ทำด้วยความหลงคือไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วคนเราก็ ไม่มีความจําเป็นจะต้องฆ่าสัตว์อื่นก็ได้เราสามารถดารงชีวิตยอยู่ได้อย่างเมลเนีส่สิ่งที่เราเรียกว่าปรวัติมังสะคือเนื้อที่มีอยู่เนื้อปลาที่มีอยู่ในท้องตลาดเจ้าของก็ําแหละไว้เรียบร้อยแล้วหรือก็ตายแล้วคนก็ไปซื้อหามาได้ แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นความเห็นของพระตถ า, าจารย์คือถ้าเรามองดูว่าในกรณีของคนที่ประกอบอาชีพในทางด้านอธินาทานเนี่ยมันก็เกิดจะโลภะก็ได้นะฮะเกิดจะโทสะก็ได้เกิดจะโมหะก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ ม, มันมักจะเป็นโลภะแต่โมหะเนี่ยก็เยอะนะฮะเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วคนที่เราไปลักขโมยเขาเนี่ยเขาก็สองมือสองเท้าหนึ่งหัวสองหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งตัวเหมือนกันแต่ทําไมเขาทามากินได้ประกอบอาชีพได้จนมีทรัพย์สินเงินทองหรือเฟือขนาดว่าปล่อยเราไปลักขโมยได้เนี่ยแ ต, แต่เราคิดโดยเหตุด้วยผลมันควรจะ ยอมรับในสิทธิของทรัพย์สินที่คนเหล่านั้นก็ครอบครองอยู่ประการต่อไปก็คือมิจฉาจาร์ก็คือการ ม, มิจฉาจาร์มีกฎสวลมูลสองคือด้วยอำนาจโลภะและก็โมหะอันนี้การล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยเราจะพบว่าโลภะมันก็เป็นทั้งราคาทั้งโลภะนั่นแหละ แต่โมหะก็คือบาปมันเยอะหนักมากนะโดยการผิดศีลสามข้อเนี่ยสามข้อข้างบนเนี่ยรวมทั้งข้อที่สี่ด้วยนั่นแหละเป็นบาปมากที่พระเจ้าทรงแสดงว่าจะนวงเนียวคนไปสู่นรกแล้วก็เวลามีการพูดการแสดงการอธิบาย อยูก็เรื่องนรกสวรรค์ไอตัวเหตุแห่งนรกมันก็คือโลกกดลงนั่นแหละอาการมันอาจจะออกมาหลายอย่างแต่ว่ารากเหง้ามันก็มาจากโลกกดลงแม้แต่ภูมิพระร่วงหรือเรื่องต่างๆที่เขาแสดงเนะี่ยเกิดแสดงเช่นอะไรล่ะบกละครนะต่างๆนี่ก็แสดงหนังสือวรรณกรรมทั้งหลัง ที่พูดในเรื่องเหล่านี้นั้นก็พอเรามองสืบสาวไปดูก็จะเห็นว่าก็สืบเนื้องมาจากโลภกับโมหะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้เห็นแก่อารมณ์ตัวเองชั่ววูบแต่ว่าต้องประสบบาปรกรรมต่างๆเป็นอันมาก การต่อไปก็คือการพูดวาจาส่อเสียดแล้วการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนะมันก็มาทั้งโลภะ ท, ทั้งโมหะเหมือนกันแล้วก็กมุสาวาดเนี่ยพวกเดียวกันทั้งหมดสามอย่างในพวกเดียวกันทีนี้คือมี อากุสลมูลอย่างเดียวเป็นมูลโดยมหน้าแถ่งโมหะนั่นคือพิชาหมายความว่าไอ้ที่เหตุที่เราโลภเนี่ยมันก็แน่นอนแหละเพ่งเลงโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันเป็นอาการของโลภะแต่ท่านบอกว่าเป็นอาการของโมหะเพราะว่าจริงๆโลภะมันก็มาจากโมหะนั่นแหละ ใจเรามีเหตุผลมีสติปัญญาก็ไม่ไปประพฤติไม่ไปกระทําอย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิมีอกุศลอกุศลละมูลสองอย่างคือโลภะและกัโมะนี่ก็เป็นพวกอกุศลละมูลสาประการเป็นรากเง้าของอกุศลทั้งหลายรากเง้าวของความชั่วทั้งหลาย คนเราจะทําอะไรก็ตามก็อยู่ในแวดวงสิ่งเหล่านี้ยท่าเราทําทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วทีนี้ที่ชื่อว่าโลภะเนี่ยเพราะอยากได้ชื่อว่าโทสะเพราะปฏิทุสลายชื่อว่าโมหะเพราะหลงก็ในจํานวนอกุศลมูลทั้งสามอย่างนั้นโลภะชื่อว่าเป็นอกุศลนมูลเพราะตัวมันเองเป็นทั้งอกุศล ราตว่าเป็นมีโทษและก็มีทุกขเป็นวิบากเป็นทั้งรากเงาวของอกุศลมีปานาธิบัติเป็นต้นเหล่านี้เพราะว่าเป็นสภาพที่มันใบผูกพันกับพวกอกุศลบางเหล่าแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของอกุศนธรรมบางอย่างหลายๆอย่างงนะพวกนี้เยอะ สมอย่างที่พระสารีบุตรเถรวาได้กล่าวว่าคุณผู้กำหนัดมากถูกราคาครอบงำแล้วมีจิตถูกราคารื้รัดแล้วย่อมฆ่าสัตว์มีชีวิตได้ดังนี้แม้ในการที่โทสะและโมหะเป็นอกุศลลมูลก็นายะเหมือนกันทีนี้ก็กลับมาที่กุศล กุศลมูลกุศลกรรมบุตระนะที่ออกมาเป็ น, นกุศลกรรมบทกุศลมูลนั่นคือทรงกันข้ามคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงฉันบอกว่าเจตนางดเว้นจากปาณาธิบาตเป็นอกุศลอกุศลกรรมบุอกุศลกรรมบทุทั้งหลายมีปาณาธิบาตเป็นต้นมีฐานที่บายดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละ เจตนาชื่อว่าเวรมณีเพราะย่ำยีละเวนได้อีกจำเนงบุคคลเว้นจากการจากเวนได้เพราะเจตนานี้เป็นเหตุ เ, เจตนานั้นจึงชื่อว่าเวรมณีแล้วก็คําว่าเวรมณีที่เราแปลว่างดเว้นนนะะ เราโดยพยัญชนะนก็หมายความว่าเป็นการงดเว้นที่สัมปยุต ด, ด้วยกุศลชื่อว่าเวรมณีทีนี้การงดเว้นของผู้เว้นจากปาณาธิบาต ท, ที่ได้สัตไว้อย่างนี้ว่าการงดเว้นจากปานาธิบาตในสมัยนั้นดังนี้ชื่อว่าเป็นวิรัต ส, สัมปยุต ด, ด้วยกุศลกุศลและจิต แต่เมยุทยก็คือประกอบด้วยกุศลและจิตเพราะว่าที่จริงการที่เราจะคิดงดเว้นจากความชั่วในชื่ออะไรก็ตามแหละมันก็แสดงว่าใจเราก็ต้องเป็นกุศลแต่ใจเรายังเป็นอกุศลอยู่มันก็งดเว้นไม่ได้ทีนี้วีรัตซึ่งก็แปลว่างดเว้นเหมือนกันตามปกติแล้ววีรัตที่แปลงดเว้นเนี่ยจะมีอยู่สามประการด้วยกันสามลักษณะ ลักษณะหนึ่งก็คือสัมปัตตวิรัตหมายว่าหมายความว่าเจอเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เราละเมิดสิขาบททั้งหลายแล้วก็กลับใจพิจารณาเช่นสมมติว่าเห็นเงินเขาทำหล่นไว้คือคนส่วนหนึ่งนี่จะคิดว่าลาบลอย แต่ว่าเป็นลาบที่ไม่ควรจะได้เพราะว่าไอ้เงินเมื่อไม่ใช่ของเราก็ของคนอื่นเนี่ยเราจะไปถือว่าลาบลอยของเราไม่ได้ถ้าความคิดมีเหตุผลจะเกิดสงสารเจ้าของเงินแล้วก็ขวนขวายที่จะหาเจ้าของเงินนั้นให้เขารับเงินคืนไปแน่นอนวิธีอีกวิธีการก็ต้อง ฉลาดหน่อยแม้ ใ, ใครก็มาหลอกลวงซ้ำก็ดีที่หนึ่งก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของบุคคลอื่นโดยเราเข้าใจว่าเราทำดีแต่ก็พอดีไปถามโดยไม่ดูตามาตามเรือยอย่างเงี้ยทางที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง รับไปดำเนินการให้มีหลักมีฐานมีกฎเกณฑ์พอสมควรไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้องเชื่อใ้เสมอไปแต่ถ้าเงินไม่กี่บาทพอฟังได้แต่ถ้าเงินหลายบาทนี่มันอาจจะยุ่งเหมือนกันอันนี้คือเราไม่ได้สมาทานศีลมาก่อนเพียงแต่เป็นจิตสำนึกที่ดีงามมันเกิดขึ้นมาเมื่อได้เห็น ทรัพย์สินของบุคคลอื่นตกอยู่ถ้าเราคิดด้วยโลภะมันก็อยากได้แต่นี้มันคิดด้วยวิรัสิใชุผลใช้สติปัญญาในการจำแนกแย ก, แ, ยกแล้วก็ในที่สุดเราก็นำทรัพย์เหล่านั้นไปคืนให้แก่เจ้าของด้วยวิธีใดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดใด้รอบครอบก็แล้วกัน ประการต่อไปเขาเรียกสมาทานนวีรัตย์ยันที่เราสมาทานศีนเนี่ยสมาทานศีนห้าศีนแปดศีลโบสดเนี่ยแล้วเมื่อสมาทานไปกี่สิกขาบทก็พยายามงดวางดเว้นให้ได้ตามนั้นอีกประการหนึ่งเรียกสมุดเฉดวิรัตอาจจะไม่ครบทีเดียวห้าข้อหรือไม่ครบทีเดียวสิบข้อก็พยายามงดเว้นไปทีละข้อ ดูข้อไหนที่มันทำง่ายก่อนก็ทำย่านเราจะเห็นว่าสามข้อแรกเนี่ยคือปานาติบาละทินนาฐานกามีสุมิชาจา์เนี่ยเป็นบาปที่แรงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปประพฤติอย่างนั้นคนก็ตัดสินใจงดเว้นเอาได้นี่ก็ มันก็อยู่ที่ความคิดของคนนะคืคนบางคนก็อาจจะคิดว่าทําง่ายแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าทํายากทีนี้ท่านนายกตัวอย่างคือประกอบสัมปัตติบรัชก่อนนะบอกว่าได้ทราบว่าในเวลาที่เขายังหนุ่มอยู่บรรดาของเขาเกิดโรคและหมอบอกว่าควรจะได้เนื้อกระต่ายสดๆมาประกอบ เขาก็พี่ชายของจักกะคือบาสกคนนี้ชื่อว่าจักกะนะ่เดี๋ยวจะเป็นบาสกหรือไม่บาสกไปรู้ว่าตอนนั้นคือพี่ชายก็บอกให้น้องชายเนี่ยไปจับกระต่ายเพื่อมาประกอบปรุงยาให้มานดาซึ่งป่วยหนะักแกก็ไปอ่ะบ้านก็อยู่ใกล้ป่าแล้วก็จับมาได้ จับตัวแม่เขามาประกฏว่าลูกวิ่งบนเลยโดวยวความหวาดกลัวด้วยแล้วก็กลัวแม่จะถูกฆ่าด้วยแกก็จุดคิดขึ้นมาได้ว่าก็ะตายเขาก็มีครอบครัวนี่เราจับแม่เข้าไปแล้วลูกเขาอยู่กับใครเหมือนก็ใครจับแม่เราไปเนี่ยแล้วเราจะอยู่กับใคร คิดโดยเหตุด้วยผลง่ายๆธรรมดาธรรมดาแกบอกมันไม่ยุติธรรมเลยที่เราจะแลกชีวิตของหัวหน้าครอบครัวอื่นเพื่อให้หัวหน้าครอบครัวเราอยู่ยอดอยู่รอดเนี่ยมันมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วสุดเขาก็ปล่อยกันตายแล้วไปบอกพี่ชายให้ผลแกพี่ชายว่าความคิดที่พี่สั่งให้ทาเนี่ยมันมันไม่ยุติธรรม เพราะว่าผลทาไม่ได้จากนั้นแกนกราธิฐานด้วยสัจวาจาของแกที่มีความเมตตาสงสารสัตว์อื่นเหมือนๆกันจะต้องใช้เลือกกระต่ายหรือไม่ใช้เลือกกระต่ายก็ได้ขอให้แม่นั้นหายป่วยแล้วก็ปรากฏว่าแม่ก็หายป่วยนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการคิดขึ้น เฉพาะหน้าในขณะนั้นนั้นทีนี้ในเรื่องของสมาทานนวีรัตวิญญาณที่เคยบอกมาหลายครั้งเลย ว, ว่าการสมาทานสิกขาบทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังก็คงจะอยู่ในยุคพุทธสมัยนั่นแหละแต่ไม่ใช่ยุคต้นต้นพอยุคต้นต้นเราก็สังเกตดูว่าไม่มีการสมาทาน ท่านเพียงแต่ว่าเข้าไปถึงก็นั่งฟังเรียบร้อยกายก็สุดจริตว่าจาก็สุดจริตมันก็เป็นศีลแล้วนอกนั้นมันก็อยู่ที่ใจกับการใช้ปัญญาพิจารณาถึงหลักธรรมที่พูะเจ้าพระหันท่านแสดงแล้วก็บรรลุผลไปก็แสดงว่าในส่วนศีลและสิกขานั้นเขาสมบูรณ์โดยความสำรวม ใจที่จะฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสบะศกคนหนึ่งรับสิกขาบทในสำนักของพระปิงคละพุทธารคิตจจ้าอัมพริยะวิหารแล้วก็ไปไถนาต่อมาโคเขาหายก็ตามหากันสามวันเขาได้ขึ้นภูเขา อุตรวัตรมานะงูใหญ่ได้รัดเขาอยู่บนภูเขาก็คิดว่าจะเอามีดที่คมนี้ตัดหัวมันก็ยังคิดว่าการที่สมาทานสิขาบทในสำนักของครูผู้น่านับถือแล้วทำลายสิขาบทไม่สมควรครั้งคิดอย่างนี้ถึงสามครั้งแล้วก็ตัดสินใจว่า เราจะสละชีวิตไม่ยอมสละสิกขาบทไอ้ น, นี้คือความคิดชั้นเยี่ยมนะฮะหือตามปกติแล้วเราลองสังเกตดูอย่างสงครามสงครามระหว่างพม่า ก, กับไทยเนี่ยก็เรียกว่าสิบกว่าครั้งไงนะฮะคือถ้าเรามองดูว่าพม่านี่ก็เคร่งธรรมะนะเรียนระดับอภิธรรมนะไม่จะธรรมะดา เรียนระ ด, ดับอภิธรรมเจริญกรรมฐานพูดบาลีได้เลยคล้ายๆลังกาเนี่ยแต่พอเอากข้จริงปรากฏว่าพอเกิดเรื่องรบราฆ่าฟันกันเนี่ยแมมันก็ทำลายกันตายเยอะนะ้ะก็แสดงว่าให้ความสำคัญแก่ เกียริชาติบ้านเมืองมากกว่าให้ความสำคัญแก่ศีลทีนี้ถ้าถามว่าเกียรติชาติบ้านเมืองนี่เราหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้เด่อในเมื่อเป็นชาวพุทธด้วยกันทำไมไม่ใช้สถานะของความเป็นพุทธมาคุยกันระดับหัวหน้าเนี่ยมาคุยกันแล้วก็หาข้อยุติโดยบาปบุญคุณโทษ แล้วก็ตัดสินใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรมันน่าจะทำได้แต่ว่าเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าดีอย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยเจตนาไปลุกรานประเทศอื่นก็อย่างดีก็ไปช่วยเหลือกันในยุคหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าไปช่วยเหลือกันแต่ก็อีกนั่นแหละ มันเป็นเรื่องคติของของโลกความคิดแบบโลกมันคิดแบบแบบหนึ่งทีนี้พอท่านทำอย่างนี้แล้วท่านก็โยนมีดเล่มที่แบกมาอยู่บนบา่าเข้าไปในปา่างูก็ได้คลายตัวออกแล้วก็เลื้อยไปก็แสดงว่าจิตที่เมตตาด้วยสัจจะวาจาท่ เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลแล้วก็มีกุศลลเจตนาที่จะรักษาเนี่ยมันก็มีพลังของมันธรรมาก็คุ้มครองรักษาทีนี้ส่วนวิรัติที่สัมปยุต ด, ด้วยอริยมรต ก, ก็เป็นสมุเฉทวิมรตสมุเฉทวิรัติืองดเว้นอย่างเด็ดขาดพระยะบุคคลทั้งหลายไม่เคยแม้แต่จะเกิดความคิด ว่าเราจะค่าสัตว์มีชีวิตเลวิรัตนี้นั้นท่านเรียกว่ากุศลเพราะเป็นไปแล้วด้วยความฉลาดอีกหนึ่งท่านนีกว่ากุศลเพราะตัดซึ่งความทุศีนที่ได้ชื่อว่ากุสะเพราะเป็นที่หมักหมมความชั่วร้ายแต่ไม่ได้เรียกว่ากุศลเพราะไม่โสดค้องกับปัญหานี้ว่า กุศล ค, คื อ, อไรเล่าคุณคือท่านอธิบายประเด็นที่พระสาริบุตรท่านตอบคำถามที่ภิกษุเรียนถามท่านทีนี้ถ้ากล่าวโดยอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนี้พูดเฉพาะกุศลการโดยการ่ที่กล่าวมาแล้วมันก็เหมือนกันก็คือห้าอย่างมาความว่า โดยธรรมก็ดีโดยส่วนก็ดีโดยอารมณ์ก็ดีโดยเวทนาก็ดีโดยมูลก็ดีมันก็ตรงกับพวกอกุศลเพียงแต่ว่ามูลมันก็เป็นไม่ลบไม่กดไม่ลงท่านั่นเองทีนี้คำเหล่านั้นทั้งหมดคือกคมบทเจดข้อแรกเป็นการงดเว้นนะเป็นกคำบทอย่างเดียวไม่เป็นรากงาวของกุศล แล้วก็กุศลธรรมสามประการทายเป็นทั้งกรรมบทด้วยเป็นทางรากงาวของกุศลด้วยอธิบายว่าอนาพิชาเป็นกรรมบทจึงชื่อว่าเป็นอโลภกุศลลมูลแต่ปยาบาตชื่อว่าเป็นอโศกสักกุศลลมูลส่วนสมมาธิฏฐิชื่อว่าอโมหะก็เป็นกุศลมูลทีนี้โดยอารมณ์ ก็ปาธิบาตก็เป็นอารมณ์ของการงดเว้นหมายความมีเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตเก่าอุปมาเหมือนอริยมรรคต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะละ ก, กิเลสได้จันใดกรรมบทเหล่านี้ก็พึงทราบว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะว่ามีชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตเป็นต้นจึงละการละเมิดศีลหรือทุศีลมีปานาติบาตเป็นต้นคือคือครอบทั้งสิบข้อนะฮะนับนับครบทั้ง10ข้อโดยเวทนาทั้งหมดโดยเวทนาเนี่ยการคิดการทำการพูดที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็เป็นสุขเวทนาบ้างเป็นอุเบกขาเวทนาบ้างเพราะว่ากุศลแล้วจะไม่มีทุกขเวทนาโดยมูลเจ็ดประการแรกจะมีมูลสามตามโลภะอทูสะโมหะสมัปคู่งดเว้นด้วยจิตสำปยุทธ์ด้วยญาณแต่มีมูลสองสมับคู่งดเว้นด้วยจิตที่ปราสจากญาณ อ น, นาพิชาแปลว่าความไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้สมาผู้งดเว้นด้วยจิตที่สำประยุตยิญาณมีมูลเดียวสมาผู้งดเว้นด้วยจิตที่ปราศจากญาณแต่โลภะตัวมันเองเป็นรากง่าวของของตนไม่ได้แม้ในอภิญาบาทก็ทำานองเดียวกันนี้แหละสมาธิมีมูลสองตามอำนาจของอโลภะและโทสะ ความไม่โลภคือคืออโลพาเป็นรากงาวของกุศลคืออโลพาเพราะไม่โลภเพราะโลภานี้เป็นชื่อของธรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับโลภะถึงในอโทสะโมหะก็ทำานองเดียวกันในจำนวนกุศลละมูลทั้งสามนั้นอโลพาชื่อว่าเป็นกุศลละมูล แล้วก็เพราะตัวเองเป็นกุศลและชื่อว่าเป็นมูลของกุศลทั้งหลายมีการงดเว้นจากปานาทิบาตเป็นต้นก็เป็นสภาพของจิตที่ประกอบด้วยกุศลจะหยาบกลางละเอียดก็ตามและเกิดสรุปว่าเขาประกอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลเพราะงั้นมันก็ เป็นกุศลลมูลบ้างเป็นอาการนะเป็นอาการของกุศลลมูลบ้างแล้วพระเถ ร, ระพระภาษาลิบุตรไม่จะกล่าวต่อไปท่างก็กล่าวว่าเมื่อใดแลริยสาวกรู้อกุศลดังนี้คําว่ารู้อกุศลคือรู้ชัดอกุศลด้วยสามารถแห่งอกุศลกําหนดสิตามที่ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ ถึงในบทมีที่ว่ารู้รากงาวของอกุศลก็ในยะเดียวกันโดยเหตุเพียงเท่านี้คือด้วยในยะเดียวกันเป็นนันท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวถึงกรรมฐานเป็นเหตุนำสัตว์ออกไปจากพบจนถึงพระอรหันต์สำหรับผู้บำเพ็ญกรรมฐาน มีจตุราริยสัจคืออริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนะคฮะหมายความว่าเจริญกรรมฐานมันก็อยู่ในอริยสัจสี่ประการอยู่แล้วนะอยู่ในมรรคสัจอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือตัวหลักก็อยู่ที่สัมมาวยามะสมาสตสิสมาสมัธิแต่ก็มีสมาธิฏฐิสมาสังกปะอยู่ด้วยเจ้าฝฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากมาวิตรัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี